ตอนมรรคผลนิพพานวันที่เจธันวาคม2559หเออมาขัดเกลาให้มันผ่องใสขั้นตอนนี้คือขั้นที่มายืนเดินนั่งนอนมาดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นคุณหมอนะเรามาวินิจฉัยโรคว่าเรามีไวรัสอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานะเห็นเฉยเฉยรู้เฉยเฉย ไม่ต้องทำอะไรมันจะประจักษ์แจ้งโดยการเห็นเฉยๆไม่ต้องผ่านความคิดคำว่าพิจารณาเนี่ยมันมินเมนะเราจะเข้าใจว่าต้องมีการคิดวิเคราะห์น ะ, ะพิจารณาโดยมายืนเฉยๆนะมาสัมผัสอารมณ์นั้นๆนั่นละ่ะปฏิบัติธรรม การกระทาตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสกิเลสตัวอยากรู้อยากเห็นเราเนี่ยมันไม่สักแต่ว่าเห็นนะเห็นปุ๊บมันก็คิดว่าทำไมอะไรอย่างไรนะเราจะหาคำตอบตลอดเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันเป็นกฎพระไตร ล, ลักษณะสามประการของธรรมชาตินะ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรต้องรู้รู้แค่นี้ก็พอเราพิจารณาเสร็จแล้วมันก็เป็นอนัตตาพิจารณาเรื่องก่อเสร็จแล้วก็อนัตตาเรื่องขอก็อนัตตานะไม่มีอะไรต้องพิจารณารู้รู้อยู่แล้วไม่มีอะไรต้องรู้ เพราะมันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งพอเราเห็นมีมิตรต่างๆเอ๊ะมันจริงไหมมันอาจจะจริงในอดีตเราเนี่ยแต่มันก็ดับไปแล้วมันเป็นอนัตตาเหมือนกันน่ะสำหรับปัจจุบันนี้มันไม่จริงละนะแต่มันเป็นบทเรียนของเราเนี่ยเราไปสัมผัสอารมณ์นั้นนะก็เรียนรู้โดยไม่ต้องอยากรู้นะไปสัมผัสอารมณ์นั้นรู้เท่าทันอารมณ์นั้นเกิดสังเวชนะ เราก็เห็นว่าจิตเรายังอยู่ภายใต้อารมณ์พวกนั้นอย่าเพ้อไปคิดเพิเ่มเติมคิดปุ๊บเป็นวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสนาเหมือนเรานั่งดูโทรทัศน์นะนั่งดูละครทีวีเนี่ยเราก็นั่งดูเฉยๆเราก็เห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเห็นทุกตัวแสดงแต่ถ้าเราไปเพ่งดูตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่งเนี่ยนะ เราจะพาดโอกาสในการเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเห็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดตัวแสดงอื่นเราก็ไม่เห็นนะแต่ตอนฝึกส ม, มถะกรรมฐ า, านมันต้องกาหนดที่ฐานใดฐานหนึ่งเป็นอุบายทำให้จิตมีที่เกาะเพื่อให้มีพลังต่อสู้กับความคิดนะเมื่อเราวางความคิดมันก็เกิดความว่างความสงบก็เกิดขึ้นแต่เป็นการสงบชัว่วครู่ปัญญาไม่เกิด นะต้นเหตุที่เราสร้างกรรมทุกวันนี้เพราะเรามีอวิชชาคือความรู้ผิดไอ้ตัวนี้ต้องแก้ด้วยปัญญานะไม่ใช่แก้ด้วยสตินะสติเอามาใช้เฉพาะหน้ารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสมันก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดมันก็ไม่ทุกขในเวลานั้นเท่านั้นเองแต่ยังไม่พ้นทุก เพราะเชื้อไวรัสมันยังอยู่อวิชามันยังอยู่นะแต่ไม่ใช่บอกว่าไปท่องจำเอาเองไม่ต้องไม่ตั้งไม่ต้องปฏิบัติด้วยนี่โลดมีอยู่แล้วนี่พายมีอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นวิปัสสนึกคืนนึกเอาก็มันมีอยู่แล้วไงแต่จิตเรามันยังมันเตื้อนแล้วไงเห็นไหมอันนั้นมันไปพูดเอานะ มันไปจินตนาการเอานะเป็นหลงจนว่าไม่ต้องปฏิบตัตินี่โรดมีอยู่แล้วนี่พานมีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบตัติอย่างนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้านะปฏิบตัติแต่ในช่วงปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพยยิจารณาไม่ต้องตัดสินตอนนี้เรากำลังปฏิบัติทำเรามาทำหน้าที่ยืนยืนอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆ นั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเต้นอยู่เฉยๆลําอยู่เฉยๆร้องอยู่เฉยๆเฉยๆแปลว่าอย่างเดียวถ้าคิดด้วยนึกด้วยมันไม่ใช่เฉยๆละอันนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อเราทําตามกิเลสเราก็ไม่เห็นกิเลสนะแค่เราอยู่เฉยๆปุ๊บกิเลสมันกลัวมากกลัวว่าเราจะเห็นมันนะ มันก็จะใช้ความคิดเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยมาสร้างอารมณ์ต่างๆมาครอบงาสติทำให้เราไม่เห็นมันนะกิเลสเขาก็ทำหน้าที่ป้องกันตัวเองอย่างซื่อสัตย์อย่าไปโกรธแค้นกิเลสอย่าไปรังเกียจมันนะเหมือนวิชาการเราไปเรียนทางโลกก็เป็นกลางๆมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเราไปหลงมันเมื่อไหร่หลงวิชาเมื่อไหร่มันจะสร้างอัตตาขึ้นมา นะแล้วก็เอาวิชาจากนั้นมานั่งทะเลาะ ก, กันนะจบภาษาศาสตร์สูงสุดเป็นด็อกเตอร์เป็ น, Doctor, ปนาศาสตราจารย์ทางด้านภาษาออกมาคุยกันไม่รู้ภาษานั่นแหละไปหลงภาษาละภาษาเป็นกลางๆางถ้าเรามีปัญญาเราสามารถใช้ภาษาเนี่เป็นเครื่องมือสื่อสารกันให้มันเข้าใจกันให้มันรู้เรื่องแต่ตอนนี้เราเก่งภาษา แต่เราไม่มีปัญญาที่จะใช้ภาษามาสื่อกันให้มันรู้เรื่องเราเอาภาษามาทะเลาะ ก, กันมาสร้างกรรมกันนะเสียงดังแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องพูดด้วยนะไม่ต้องท่องจําว่าสักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องพูดด้วยภาษาเตือนแล้วว่าได้ยินเฉยเฉยได้ยินก็ได้ ย, ยินเฉยเฉยนะเสียงดังนันจะไม่มีผลสำหับเรามันก็ทบหูหูยังไม่หนวกมันก็ต้องได้ยินแต่มันไม่กระเทือนใจ ไม่กระเทือนใจเวทนาก็ไม่เกิดสัญญาไม่เกิดสังขารไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดขันห้าปรุงแต่งไม่ได้ปฏิสมบตรบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัตตะสงสารดับก็ไม่ต้องไปแสวงหาทางลัดที่ไหนนะเดินไปตรงๆนี่แหละทางตรงไม่ใช่ทางลัดเราคิดแบบทางลัดอยากหาวิธีง่ายๆเหมือนชีวิตทางโลกตอนนี้อยากทาอะไรง่ายๆได้เงินเยอะๆ อ, อันนั้นเขาเรียกว่าค้ากาไรเกินควร เราสร้างนิกรรมมามากมายหลายภพหลายชาติแต่ในขณะเดียวกันไม่ต้องดูถูกตัวเองนะเราก็สร้างกุศลเนี่ยมามากมายเหมือนกันนะเรามีหน้าที่ต่อเติมเพิ่มเติมฝ่ายกุศลให้มันมากขึ้นเมื่อกาลังฝ่ายกุศลมากขึ้นมันก็ข้ามพ้นฝ่ายอากุศลได้ ไม่ต้องห่วงนะทุกคนมีนี่กรรมหมดเราใช้มันไม่หมดหรอกนะไม่ต้องใช้หมดต้องรีบเพ่นหนีมันสร้างกุศลเนี่ยวิ่งแซงหน้ามันไปแต่ตอนที่จะแซงหน้าฝ่ายอกุศลก็ทวงนี่เราก่อนนะเราต้องขันตินะขันติคือความอดกั้นอดทนอย่าพุ่งขันแตกก่อนนะอาโศกมากกิเลนจะทําให้เราขันแตกก่อน หุยมายูนทําไมไม่มรู้เบื่อเบื่อไร่สาระคิดก็ไม่ให้คิดมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรนะกิเลสมันรู้ดีที่สุดว่าเราชอบอะไรเราเกลียดอะไรเรากลัวอะไรนะกิเลสเขาเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่อย่าไปรังเกียจเขานะมอบน้อมถ่อมตนเรียนรู้กับเขาอย่าหางกาัน ถ้าเราฆ่ากิเลสหมดไปจากโลกจั ก, กรวาล น, นี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้พระอรหันต์เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เรามีกิเลสนั่นแหละกิเลสมัก็เป็นกลางๆนะเป็นกลางๆแต่ถ้าเราหลงมันเมื่ อ, อไหร่มันก็กลายเป็นฝ่ายลบนะกิเลสคือความเคยชินถ้าเดินไปเดินมา ความคิดนะเขาแรงมากเขาสร้างอารมณ์ต่างๆนะเพื่อจะครอบงํจสติเราเขาก็ทำหน้าที่เขาอย่างซื่อสัตย์ถ้าเราสัตแต่ว่ารู้ว่าเขาคิดอย่าไปคิดตามเขามันก็ไม่มีปัญหาแต่บังเอิญจิตปัจจุบันถูกปรุงแต่งมันชอบคิดอยู่แล้วนะมันเกิดความสับสนวุ่นวายถ้ามีอารมณ์แบบนี้เนี่ยจิตเรามันเหมือนเด็กๆนะ ยังไม่แข็งแรงต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนนะถ้าจิตเรามีอาการแบบนี้เราก็หาที่เกาะก่อนไอ้ตัวรู้สึกหนึ่งคือตัวจิตมาเกาะที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นเมื่อ้องถึงขั้นไปเพ่งไปกำหนดนะถ้าเพ่งกำหนดมันมีการกระทำเกิดขึ้นนะเอาความรู้สึกเราเนี่ยไปเป็นหนึ่งเดียวกับฝ่าเท้ากระทบพื้นกระทบเราก็รู้กระทบเราก็รูนะ เมื่อความฟุ้งซ่านมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเราก็ไม่ต้องไปเกาะที่ไหนเด็กๆถ้าเกาะ พ, พ่อแม่ตลอดเวลาแบมือขอแบมือขอนะไม่มีวันโตวันไหนพ่อแม่ตายจากไปแล้วเนี่ยที่นี้ก็ดูแลตัวเองไม่ได้จิตเราก็เหมือนกันพระพุทธองค์ถึงเตือนเราว่าอัตหตหเฮอตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ เหมือนเราเป็นนักกีฬานะช่วงที่เราฝึกนะถ้าเป็นนักกีฬามวยเราก็เตะกระสอบชกกระสอบนะเออกระสอบเป็นเป้านะฝึกให้มันเกิดความชำนาญเกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าเราไม่เคยขึ้นเวทีเลยเนี่ยนะมันไม่เกิดปัญญานะนะเพราะว่ากระสอบมันชกเราคืนไม่ได้ แต่พอขึ้นเวทีแล้วคู่ต่อสู้เราเนี่ยเขาชกเราได้นั่นแหละพิพิธนามันเป็นแบบนั้นนะสัมมาะคือเราชกฝ่ายเดียวเพียนช่วงที่ฝึกแต่ช่วงขึ้นเวทีแล้วไม่ไม่มีเวลาฝึกแล้วนะนะเมื่อแต่ไปฝึกอยู่นั้นอ่ะโดนมันน็อกตายเลยนะคู่ต่อสู้เขาชกขวามาเขาไม่บอกเราล่วงหน้าว่าระวังนะพูดช้าชานะฉันจะชกขวาแล้วนี่มันไม่บอกเรานะ มันชกมาเลยอะตอนนั้นแหละเราต้องใช้สมาธิสติปัญญาอินทร์พลราชที่เรามีอยู่เนี่ยลบหลีกมันนะต่อสู้คู่ต่อสู้รันเปียบเสมือนอารมณ์อารมณ์ข้างนอกเรียกว่าเวทนาในเวทนาอารมณ์ข้างในเรียกว่าธรรมในธรรมเป็นธรรมลมเป็นสัญญาเก่าไม่ต้องไปสร้างเวทนาขึ้นมามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมนะเอาเวทนานั่นแหละมาเป็น ครฝึกสอนเรานั่นแะหละสติปัญญานทั้งสี่ตอนนี้กายเราเคลื่อนไหวไงเป็นอาลีบทเคลื่อนไหวคือเดินนะเราก็มีสติรู้ว่าเดินไงไม่ใช่ช่วงฝึกสตินะสติแล้วเลืรู้ว่าเรากำลังเดินอยู่เดินไปเดินมามันเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยเพราะเราเดินเนี่ยมันก็เป็นเวทนาเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะเราก็รู้ว่ามันเหนื่อยนะรู้เฉยๆไม่ต้องไปเหนื่อยตามมันนะ แต่ถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตได้เนี่ยเออเหนื่อยแล้วมันสุขมันทุกข์ยังไงนะล้วก็รู้มันอีกแต่ถ้าเข้าไปในจิตใต้สำนึกได้อารมณ์เก่าในไอเดียมันโผลขึ้นมาวอาเป็นนิมิตน่นนิมิตนีอ่อารมณ์อยู่ๆก็เศร้าโดยไม่รู้เหตุผลอันนั้นคือธรรมอารมณ์นะมันเป็นความรู้สึกเดิมที่เราบันทึกเป็นสัญญาเก่านี่คือฐานทั้งสี่เรียกว่าสติปฐานสี่ แล้วก็พัฒนาสติปัฏฐานสี่นี่ไปสู่มหาสติปัฏฐานนะคือฐานทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวในขนาดจิตเดียวนั่นแหละเราสามารถละลึกชาติได้แล้วสามารถละลึกรู้อดีตไปเอาอดีตบา ร, รมีเรามาต่อยอดได้นั่นจึงเป็นมหาสติปัฏฐานอย่างแท้จริงตัวนี้เราไปฝึกอนุสตินะพอสะสมกำลังแล้วก็ไปฝึกทีละขั้น เป็นสติปฐานสี่อยู่ในฐานกายแล้วก็ฐานเวทนาแล้วก็ค่อยๆเข้าไปในฐานจิตต้องอาศัยพลังฌานอันนั้นคือฝึกฌานก็เข้าไปได้นะแต่มันใช้เวลายเยอะทีนี้เช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเห็นไหมเราใช้อารมณ์การปฏิบัติ ไม่เหมือนกันนะถ้าในทางโนกเรียกว่าเทคนิคในทางธรรมเรียกว่า ai, อุบายนะเพราะชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เงียบเฉยเฉยมันเสียงดังด้วยนะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยเฉยเหมือนตอไม้อย่างเดียวมันต้องเคลื่อนไหวด้วยนะคำว่าฝึกจิตฝึกจิตให้มันรู้เท่าทันทุกๆุกอารมณ์ทุกทุกอรกกอิยบททุกๆสิ่งแวดล้อมเสียงดังเราก็สงบได้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 ถ้าเราฝึกจิตจนมันรู้เฉยๆได้เนี่ยเขาด่ามากระทบหูดับไม่กระเทือนใจเห็นไมรูปเกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงต่อไม่ได้เห็นไหมขันห้ามันขับเคลื่อนไม่ได้ปฏิสมุตรบาทก็ถูกตัดวงจร รู้เฉยๆแต่กิเลสมันไม่ยอมหรอกเรารู้เฉยๆรู้เฉยๆได้ยังไงฉันอยากรู้มันเป็นเพราะอะไรทำไมอา่าเราอยากรู้เรเปนักวียาศาสตร์อยากจะรู้ที่มาที่ไปของมันแล้เราจะไปนิพพานด้วยความอยากไม่ได้นะเราหลอกคนอื่นได้ลรวหลอกจิตเราไม่ได้หรอกชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ย เขาส่งไปโรงเรียนเขาก็สอนนะต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องทุกอย่างต้องหมดอันนี้ให้มาเดินอยู่เฉยๆได้ยังไงเห็นไหมมันได้ไม่ได้ยังไงมันไม่ได้อะไรเนี่เดินอยู่เฉยๆนะกิเลมันจะแย้งนะก็ได้ไงได้อะไรได้เดินอยู่เฉยๆไงกิเลมันมันไม่ได้เดินอยู่เฉยๆทำไมเสียเวลาชีวิตสนุกก็ไม่สนุก อร่อยก็ไม่อร่อยความรู้ก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยเห็นไหมกิเลสมันจะมันจะแยงนะเราไม่ได้มาสแสวงหาความรู้นะนะเรามาทำหน้าที่เรามีหน้าที่เดินเราก็เดินตั้งมั่นมีศัจจะ ก, กับหน้าที่เราเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ผ่านการนึกการคิดถ้าปัญญาเกิดจากการนึกการคิดมันเรียกว่าจินตมยปัญญาแค่เป็นการจินตนาการ นะถ้าจินตนาการใกล้เคียงหน่อยใกล้เคียงความจริงแต่ไม่ใช่ความจริงนะความจริงไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเราเดินเฉยๆอารมณ์อะไรเกิดมาเราก็เห็นมันนั่นแหละนั่นแหละคือความจริงมันเกิดขึ้นเราไม่สนใจปุ๊บมันก็ดับไปนั่นแหละคือความจริงความจริงมันเกิดดับเกิดดับมันไม่เที่ยงไง เมื่อเรารู้เห็นบ่อยๆแล้วเนี่ยพอช่วงชั่วโมงเบี่ยงตอนนี้เรามีเครื่องมือจัดการมาละนะเดี๋ยวมันสาสางเองล่ะมันรู้อยู่แล้วว่าในตัวเรามันมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเปื้อนตรงไหนเราจะทําทาความสะอาดผิดที่นะเหมือนปวดหัวนั่นแหละก็เอาพลาสเตอร์เนี่ยไปพันที่นิ้วโป้งไว้อย่างนี้นะ มันควรละเรื่องเราเป็นหมอนะเรากำลังรักษาตัวเองเราต้องวินิจฉัยโรคให้มันถูกก่อนว่าทุกวันนี้ที่เราทุกเนี่ยมันเพราะอะไรมันเกิดจากไวรัสอะไรเห็นไหมไม่งันเราให้ยาผิดนะไม่ต้องห่วงนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่บอกทาตามธรรมชาติไม่เนื่องโดยกิเลสเราไปเข้าใจว่า กิเลสเป็นธรรมชาติไม่ใช่นะกิเลสคือสิ่งที่เราปรุงแต่งมันขึ้นมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่ธรรมชาติของกิเลสมันมีหน้าที่เล่นงานเราถ้าเราไปหลงมันนะตัวกิเลสไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องเนื่องด้วยกิเลสกิเลสยอมไม่ชอบการปฏิบัติธรรมการกระทำตา ม, ตามธรรมชาติจึงเป็นการทวนกระแสกิเลส กิเลสยอมไม่ปลืม้มมันกลัวมากว่าเราจะรู้เท่าทันมันมันจะหลอกเราไม่ได้อีกต่อไปเขาก็ต้องสร้างนิวรณ์ต่างๆเรียนะกว่านิวรณ์ห้านะเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปห ง, งุดหงิดไม่ต้องรังเกียจมันถ้าเรารังเกียจมันก็แสดงว่าเรารังเกียจ ต, ตัวเองสิ่งเหล่านี้เราสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองทั้งนั้นแหละ ช่วงเข้าค่ายนี้นะเริ่มจากวันแรกคือ9วันแต่เราเริ่มบวชวันที่ห้านะที่เหลือก็เจดวันนะบวชถวายในหลวงเราในขณะเดียวกันเราก็ได้อา น, นิสงค์คืออะไรเราได้ปรงุงผมนะโกนคิ้วภาษาอังกฤษบอกเซ็ตซีโร่เหมือนเราเซ็ตซีโร่ชีวิตเราทั้งหมดเรานั่งนับหนึ่งใหม่แล้วกลับกลายมาเป็นเด็ก เราเกิดมาใหม่ๆเราก็ไม่มีผมไม่มีคิ้วน ะ, ะช่วงเจ็ดวันเนี่ยเราก็เหมือนเด็กๆหัดเดินใหมนะ่ตอนเราเกิดมาในชีวิตนี้สมมุติว่าเราเกิดมาปุ๊บมีคนขโมยเราเนี่จากโรงพยาบาลแล้วมันเอาไปทิ้งที่ป่านะาไปเจอเสือเจอลิงมันเลี้ยงเราโตขึ้นมานะ เราไม่รู้ภาษาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเราว่าต้องถือศีนห้าเลยแล้วก็มีศีลอยู่แล้วเห็นไหมเปรียบเส ม, มือนว่าเราเกิดมาไม่มีผมพอมีผมแล้วแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมก็จัดการผมเนี่ยไม่เหมือนกันนะเผ่านี้ก็ทำแบบนั้นเผานั้นก็ทำแบบนี้เออแล้วก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยยิ่งมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ชอบปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนทรงผมไปเรื่อย แล้วก็ถูกปรุงแต่งผมเลยกลายเป็นพาละเห็นไมถ้าไม่มีผมมันก็ไม่ยุ่งถ้าผมแล้วในผมเราเองมันก็ยุ่งกันเองบางทีก็ต้องหวีต้องไปเซตไปอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมละ่ะที่เราแก่มาทุกวันในเพราะเรามีผมเกิดมาวันแรกก็แก่หนึ่งวันสองวันก็แก่ไปสองวันแก่ไปเรื่อยๆนะเรามาเข้าค่ายเที่ยวนี้ถือว่าเราเซตสี่โลก นะล้างไพ่ใหม่นะวางของเก่าก่อนนะมารับแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะเกิดมรดผลให้กับชีวิตจริงๆนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบ ก, กับของเก่าที่เราเคยชินนะขณะ น, นี้เวลานี้เราทำอะไรก็อยู่กับปัจจุบันไม่มีอนาคตไม่มีอดีต นึกถึงอดีตนึกแล้วน้ำตาไหลนึกถึงก็นั่งยิ้มคนเดียวยังกับคนบ้านะนึกอย่างไรล้วก็แก้อดีตไม่ได้บางทีไปนั่งคิดถึงอนาคตนะคิดก็ยิ่งกลัวคิดก็ยิ่งกังวลว่ามันจะไม่สําเร็จนะคิดจนตายเราก็ไปทําอะไรไม่ได้เพราะอนาคตมันยังมาไม่ถึงชีวิตเราคือปัจจุบันในขณะจิตนี้ ทุกลมหายใจออกเข้าออกเนี่ยคือชีวิตลมหายใจคือปราณชีวิตลมหายใจไม่เกี่ยวกับขันห้านี้ไม่ใช่เราด้วยแต่มันเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดตัวเรามากที่สุดเป็นของนอกกายที่ใกล้ชิดมันเป็นปราณชีวิตของเราถ้าเรามีลมหายใจเป็นปกติได้ ชีวิตเราก็เป็นปกติสุขนะบางทีดีใจเกินไปจนหายใจไม่ทันก็ช็อกตายได้บางทีตกใจเสียใจมากเกินไปจนหายใจไม่ทันก็ช็อกตายได้เช่นเดียวกันธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเขาเรียงลำดับกันนะนะก็คืออุเบกขาสัมโพชง ถ้าเราถึงตรงนั้นได้อุเบกขาสัมโพชงอะไรเกิดขึ้นก็ช่างเกิดมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายภาพนะมันกระทบมันจะไม่กระเทือนมันก็สงบนิ่งเป็นอุเบกขาตามธรรมชาตินะลมหายใจเราเป็นปกติตลอดเวลาแต่ตอนนี้ชีวิต เราไปใช้ชีวิตไปแก้ปัญหาแตของนอกกายจนไม่มีเวลามาดูตัวเองนะไม่มีเวลามาเตรียมพร้อมตัวเองบางทีอากาศร้อนนักก็กระทบความรู้สึกร้อนนักก็มักอ้างว่ามันเย็นนะ ก, ก็มักอ้างว่าอีกทำให้ลมาหายใจไม่ปกตินะคำว่าฝึกจิตเนี่ยฝึกจิต ให้เข้าถึงธรรมชาติคําว่าบรรลุธรรมนะก็คือรู้แจ้งบรรุเพราะว่ารู้แจ้งความเป็นธรรมชาติจริงๆตอนนี้เราคิดตามความองค์ความรู้ทางวิชาการผ่านในรูปของภาษาภาษาผิดก็คิดผิดภาษาถูกก็คิดถูกนะคิดดีคิดชั่วก็ พุกเหมือนกันเพราะมันเป็นมโนกรรมถ้าจิตมันเข้าถึงธรรมชาติเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องคิดนะเขายอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่บอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเขายอมรับในความจริงที่มันเป็นลนะมหายใจเขาก็เป็นปกติ จำคำว่ารู้เฉยๆตอนเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้เฉยๆตอนบ่ายเราเหวี่ยงเกิดอาการเหวียงแล้วเนี่ยเพราะมันเร็วมากเราก็ใช้คำว่าเหวี่ยงทิ้งเตือนสติเราว่าอย่าไปติดมันเห็นปุ๊บผ่านไปเห็นปุ๊บผ่านไปนะถ้าเราไปคิดปุ๊บโปกกรมันมันจะค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะ ให้มันไหลออกมาเลยไหลออกมาเล ย, ล ย, ออเลยแล้วก็รู้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งไปเรื่อยๆแต่ชั่วโมงนี้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะให้รู้เฉยๆถ้าเราไม่ใช้สติรู้เฉยๆแล้วเนี่ยกิเลสมันเร็วมากนะได้ยินปุ๊บคิดละได้ยินเสียงปุ๊บก็คิดละเห็นในมิตรปุ๊บก็คิดละเอ๊มันจริงไม่จริงนพอเอ๊ปุ๊บเรารู้จัก วิปัสนาทันที <Yeah. S 1> นี่คือปฏิบัติโดยไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องปฏิบัตินะถ้าเราฝึกสกมถากรรมฐานเนี่ยตามลมหายใจเข้าเราก็บอกพูดตามลมหายใจก็กโทรอันนั้นไม่ใช่ผิดนะเป็นขั้นตอนฝึกสมาธิเจริญสตินะอันนี้เราไม่ได้ฝึกเป็นช่วงเดินทาง คำว่ามัคคิจเนี่ยนะมัคผลนิพานมันก็เป็นมัคด้วยเป็นผลด้วยแต่มันยังไม่ผลสูงสุดถ้าผลสูงสุดก็คือนิพานแต่ช่วงจเจริญมัคเราออกําลังกายมันก็แข็งแรงพรุ่งนี้ออกอีกก็แข็งแรงอีกเขาเรียกว่ามัคคิตช่วงที่จิตมันเดินทางนะอย่าไปแปลตัวหนังสืออย่าไปแปลเอานะต้องปฏิบัติแล้วก็รู้ด้วยตัวเอง มีแต่คาดขนเวเนอะว่าเราจะเรียนจบตั้งแต่อนบาลจะถึงปรยาตีโทเอกเนี่ยคึ่นคนชีวิตอุตสาอดทนเล่าเรียนนะยังอุตสาเรียนนะศาสตร์ของของพระพุทธเจ้านี่ง่ายไหม <Yeah. S 1> แค่มานั่งอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆ นะแค่อยู่เฉยๆเนะี่ะมันจะเกิดปัญญาปัญญารู้แจ้งว่าเรามีอารมณ์อะไรซ่อนอยู่ในตัวเราเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่นะเรามีขี้อะไรอยู่ในตัวเราเรามีขี้โลภไหมขี้โกรธไหมขี้หลงไหมถ้าในทางโลกเหมือนว่าเราสงบสติอารมณ์เนี่ยมาทบทวนว่า อ, อชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราแสดงอะไรออกบ้างนะเออเรามีขี้ชัางไหมเรามีขี้เกียจไหมมีขี้ลิสยาไหมขี้กลัวไหมขี้กังวลขี้ห่วงใยขี้สงสัยไหมเออถ้าคำว่าขี้มันเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งเน่าเหม็นเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงทำไมเรามีเยอะจังเลย ถ้าเรามีขี้เหล่านี้เยอะอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าเราเป็นคนดีได้ไหมนะเรียกว่าเป็นคนดีได้ไหมอย่าว่าจะเป็นคนพ้นทุกนะเอาแค่เป็นคนที่เขาบอกว่าดีนั่นแหละสมควรเป็นคนดีได้หรืออย่างถ้าเรามีขี้เหล่านี้มากมายส่วนมากไม่ใช่คนดีนะคนไปติดดีต่างหาก นะอยากทำความดีจนตัวเองทุกคนดีจริงๆต้องไม่ทำให้ตัวเองทุกต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะอย่าว่าจะไปเบียดเบียนคนอื่นเลยเนาะนะมีแต่คนติดดีคนหลงดีเท่านั้นนะที่จะเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นนะตัวเองก็ทุกที่จะไปว่ากล่าวคนอื่นไปว่าเขานะนะอันนั้นไม่ใช่คนดีคนหลงดีคนติดดี ติดอะไรก็คือหลงหลงติดเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยๆได้เราก็เกิดปัญญาไงปัญญารู้แจ้งว่าเราเป็นอย่างไรเรามีขี้อะไรบ้างในตัวเราหลงความยิ่งใหญ่ไหมหลงอัพิญญาไหมหลงสภาวะธรรมไหมเห็นไหมหลงตัวรู้ไหม อริยบทนอนนะเราต้องใช้สมาธิเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอนเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวสติเขาก็ตื่นรู้เองนะถ้าเราฝึกสมถากรรมฐานเนี่ยเราต้องใช้สตินำทำให้เกิดสมาธิแต่การเจริญมรรคจิตนะเราต้องใช้สมาธินำสติก็ตามมาสติเป็นแค่ กำลังของสมาธิเท่านั้นเองมันไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะที่พระครูพูดบ่อยๆว่าโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิไม่งั้นมันป้นไม่สําเร็จนะแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญานะมันก็ใช้สมาธิสตินั้นนะไปเบียดเบียนคนอื่นไปสร้างกรรมแต่ภาษาเราคุ้นเคยละ่ะทุกอย่างเราเรียกสมาธิสมาธิ สมาธิเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะทุกอย่างเริ่มจากสมาธิแต่ไม่ใช่จมปักอยู่ที่การฝึกสมาธิต้องใช้สมาธิมักมีองแปดมักมีองแปดมักคือทางเดินพวมึ่งสู่ความพ้นทุกเนี่ยนะเขาเขียนข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบนะ ข้อที่สองคือดำริชอบ เ, อเมื่อเราเห็นชอบเราก็ดำริชอบสองข้อนี้เป็นส่วนของปัญญานะเป็นส่วนของปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทาชอบนะวาจาชอบนะการพูดจาซึ่งเป็นมีแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น อาชีพที่เราทาอยู่ต้องไม่มีการเบียดเบียนเขาเรียกว่าอาชีพชอบนะการกระทำชอบจริงๆแล้วทาศีลการกระทำมีข้อเดียวก็พอมนรวมหมดเป็นแต่ว่าเขาแยกให้เห็นการกระทำทุกอย่างต้องไม่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นจึงจะเรียกว่าชอบสามข้อนี้อยู่ในหมวดของศีลเห็นไหม การจะเดินทางไปสู่การพ้นทุกข์หรือเราเรียวกว่านิพานแล้วเนี่ยมีศีลแค่สมข้อในการปฏิบัติส่วนศีลห้าศีล8ปดศีลสิบศีลปฏิโมกศีลภิกษุณี300ส11ส็มันเป็นแค่วิในแต่ไม่ใช่ไม่สำคัญนะเพราะจิตเรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยมันเป็นศีลในการอยู่ร่วมเพื่อป้องกันในการกระทบกระทั่งกันหรือการสร้าง กรรมใหม่เป็นศีลตัวเตือนสติแต่ศีลในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกเนะี่ยมีแค่สามข้อไม่แบ่งชั้นวันนะไม่แยกอาชีพนะ เ, เหมือนกันคือวาจาชอบอาชีพชอบการกระทาชอบเรามีอาชีพนักบวชเราก็ต้องซื่อสัตย์ตั้งมั่นนะเพราะเรารวาวนาตัวเองเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องโกหกนะเราไม่ต้องทำ ผิดกติกามันจึงเรียกว่าชอบไม่ว่าต่อหน้ารับหลังเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้เห็นไหมการพูดจาแต่ละครั้งเนี่ยต้องชอบไม่มีผู้ใดเดือดร้อนไม่มีการเสียสีเบียดเบียนเกิ ด, เดขึ้นไม่มีการโกหกส่วนการกระทาโดยยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรกระชั่งเนี่ย นะทำอะไรก็ช่างเนี่ยนะต้องไม่มีการเบียดเบียนไม่มีผู้ใดเดือดร้อนนี่คือจะเรียกว่าชอบมีแค่สามข้อนี้เท่าผิดเท่าเทียมกันอันนี้อยู่ในหมวดของศีลส่วนความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบนะความเพียรทำไมต้องชอบถ้าขยันมากเกินไปจนทรมานสังขารเนี่ยพระพุทธองค์ลองมาแล้วเนี่ยมันสุดตรง มันไม่ใช่ทางพลทุกไม่ใช่ทางสายกลางมันเบียดเบียนตัวเองมันก็ไม่ชอบไม่ว่าทางโลกทางธรรมทำอะไรก็ช่างต้องเพียรพยายามแต่ต้องพอดีพอดีแต่ละคนก็ไม่เท่ากันกำลังล้วไม่เท่ากันถ้าในแง่ทุนนิยมเนี่ยทุนมันก็ไม่เท่ากันเห็นไหมช้างขี่ไปขี่ตามช้างนะเราทาอะไรเกินตัวกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนพอขาดทุนปุ๊บก็ผูกคอตาย เพราะมันไม่ชอบความเพียรมันไม่ชอบแล้วฝึกจิตนะเอาเป็นเอาตายเรียกว่าจิตนิยมก็ไปทรมานสังขารนะเออถ้าบุญเยอะบางทีจิตบรรล้ธรรมแต่ว่าร่างกายต้องรับกรรมเป็นอมภาดัมาพฤกษ์แต่ถ้าบุญไม่เยอะปุ๊บเนี่ยร่างกายเดี้ยงก่อนตายก่อนก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกอีกนะความเพียร น, นี่ต้องชอบสติชอบคืออะไรอะ พ่อคูบอกบางคนพ่อคูบอกเรียกว่ามิจฉาสสติบางคนไม่เห็นด้วยนะว่าสติมันจะมิจฉาได้ยังไงเขาชล่าใจเขาคิดว่าสติเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดนั่นแหละโจรมันเอาสติไปใช้พ้นน่ะมันเบียดเบียนนะ่ะเรียกว่ามิจฉาสติมันเป็นสติที่ไม่ชอบนะมันพ้นทุกข์ไม่ได้สมาธิชอบคืออะไรนะเราใช้สมาธิทําในเรื่องเป็นกุศล นะมาบำเพ็ญเพียรแต่ถ้าไปหลงสมาธินะไปหลงติดในฌานนะไปติดสุขในนั้นนะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธิไม่ชอบเป็นมิจฉาสมาธินะแล้วใช้สมาธิเราเนี่ยไปตั้งมั่นตั้งใจที่จะไปโกงเขานะเรียกว่าไม่ใช่สมาธิชอบความเพียรชอบสติชอบ สมาธิชอบรวมอยู่ในหมวดของสมาธิก็แสดงว่าสตินี้เนี่ยเป็นกำลังของสมาธิเท่านั้นเองไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เป้าหมายแต่ตอนนี้การไปปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยก็ไปเจริญสติกันไปจบอยู่แค่สตนะิการปฏิบัติธรรมคือไม่ใช่ฝึกสมาธิหรือเจริญสตินะ ต้องเป็นการเจริญมรรคผลนิพพานทีนี้การเจริญมรรคเนี่ยนะก็ต้องใช้สมาธิใช้สติใช้ความเพียรทุกอย่างต้องเป็นทางสายกลางความพอดีเห็นไหมทีนี้การสอนแบบวิชาการเนื่นองจากว่ามรรคมีองค์แปดเขาเขียนสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนต้องเห็นชอบแล้วก็ไปสอนบอกว่าเธอต้องมีสัมมาทิฏฐินะ เธอต้องมีปัญญานะถามว่ามันใช่ไหมเด็กๆต้องมีปัญญานะยึดหลักทางปัญญานะต้องมีสัมมาทิตินะมันจะมาจากไหนล่ะการปฏิบัติจุดเริ่มต้นทุกอย่างต้องเริ่มจากสมาธิอันนี้เขาไล่มาจากมีสัมมาทิตินะมีปัญญาแล้วต้องมีศีลแล้วก็เธอจะมีสมาธิกายนว่าเราเกิดมาฝึกทุกอย่างเพื่อให้มีแค่สมาธิ ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วศาสนาพุทธสอนให้เราทําดีละชั่วแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ต้องปัญญาต้องเกิดปัญญาเป้าหมายสูงสุดจึงเป็นปัญญา เป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาไม่ใช่นับถือแบบหลงงมงายปัญญาจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดนะแต่การที่จะเดินไปสู่ตรงนั้นน่ะเราต้องเริ่มจากสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นปุ๊บนี่สติมันก็ตื่นรู้มันเป็นกำลังของสมาธินะความเพียรชอบเรามีวิริยะสัมโพชฌงอยู่แล้วมันเป็นบรารมีของจิตเดิมนะ มันก็แสดงตัวเพราะเราตั้งมัน่นนะความเพียนก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมัน่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยอารมณ์ศีลก็แสดงตัวศีลคือความปกติของจิตเห็นไหมเมื่อสินใช้สงบนิ่งมันป ก, กติเหมือนน้ามันนิ่งแล้วเนี่ยความคิดเกิดขึ้นเราก็เห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็เห็ น, นวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วนี่คือปัญญามันก็เกิดขึ้น เมื่อจิตมีปัญญาแล้วเนี่ยมันไม่โง่ที่จะไปทุกข์อีกมันก็รู้เท่าทันความรู้ผิดคือเอาวิชาเนี่ยบางทีพู้เจ้าทุงมบอกอยา่าพึ่งเชื่อตำรานะไม่ใช่ตำราเขียนผิดแต่เราจะเข้าใจผิดอาทินี้พอสอนมรรคบโองแปะก็ไปเริ่มจากต้องมีปัญญาเบื้องต้นนะพอมาสอนไตรสิกขานะเขาก็เขียนว่าสินสมาธิปัญญา เที่นี้บอกว่าเธอต้องมีสมาธิเป็นเบื้องต้นนะเออเธอต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะนะถ้าไม่มีศีลสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดแล้วที่นี้เราจะไปทางไหนล่ะออพอสอนทีหนึงบอกต้องเริ่มจากปัญญาสอนทีหนึงบอกจกเริ่มจากศีลเห็นไหมถ้าเราจะตาตามตัวหนังสือนป็นมันแบบตายตัวแล้วเนี่ยมันจะสับสนในตัวมันเองนะ ไตรสิกขาตรงนี้น่ะเป็นวิชาสามอย่างหนึ่งนะคำว่าศีลเดที่นี้พระคูณในแง่พระคูณมันเป็นมันเป็นวิ น, นัยเป็นข้อตกลงเรามาเข้าค่ายเที่ยวนี้เนี่ยตกลงกันไหมเราจะถือศีลห้าศีลแปดดีตอนนี้เราเป็นนักบวชแล้วคุณไม่ชีเนี่ยเพราะเราเลือกแล้วไงก็เป็นศีลแปดใช่ไหมอันนี้เป็นศีลในการอยู่ร่วมแต่การปฏิบัติ จ, จิตต้องเริ่มจากสมาธิทุกครั้ง เมื่อเริ่มจนสมาที่สงบนิ่งแล้วเนี่ยจิตมันไม่แส่สายแล้วเนี่ยสินซึ่งเป็นปกติซึ่งเป็นสินของจิตจริงๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มแสดงตัวตอนนั้นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเขาก็จะเห็นชัดปัญญาก็เกิดขึ้นวิปัสสนาก็เกิดขึ้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรล่าตถาคตเห็นธรรมคืออะไรไม่ใช่เห็นปตายปีดกไปท่องจนจบป ร, เริเก้าจบดเรทางศาสนา คนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ทําแบบนั้นอันนั้นเป็นวิชาการอันนั้นเหมือนแผนที่เหมือนลายแทงมีประโยชน์ต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานเราไปศึกษาเป็นแนวทางแล้วก็มุ่งมาสู่การปฏิบัติเห็นธรรมคือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรคถ้าเราฝึกเราเข้าไปในเห็นจิตแล้วเนี่ยเราเข้าไปสู่กระแสมรรคแล้วจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิต อย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนั่นแหละวันนั้นหละเราจะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะความจริงตอนนี้อยู่ในตัวเรามีอย่างเดียวเท่านั้นคือจิตร่างกายเราไม่ใช่ความจริงมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเห็นไหมถ้าจริงๆริงพอเกิดมาทำไมตัวนิดเดียวเขาเรียกว่าเด็กทาลกตอนนี้โตแล้วแก่แล้ว เอ๊ะมันคนเดียวกันหรือเปล่าอ่าทำไมมันเปลี่ยนล่ะเห็นไหมแล้วตายแล้วเอาไปเผาอ่าเผาปุ๊บส่วนหนึ่งเป็นอากาศธาตุส่วนหนึ่งเป็นธาตุดินอ่เ า, าเราหายไปไหนเราละหายไปไหนแต่ไอ้สิ่งที่เผาไม่ได้ซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งคือจิตน่ะจิตเห็นจิตคือมรรคเราไปเห็นความจริง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 ภาษาก็เป็นกลางๆถ้าคนมีปัญญาก็รู้จักใช้ภาษานั้นนะ่ะมาสื่อให้มันเกิดกุศลเกิดประโยชน์